มีผู้ฟังมีผู้พูดฟังแล้วนำไปปฏิบัติตามงรํมสอนของพระพุทธเจ้าละความชั่วทำความดีไม่พิษทำจิตให้บริสุทธิ์สูงสุดของชีวิตวิธีทำวิธีละความชั่ววิธีทำความดีวิธีที่ทำให้จิตบริสุทธิ์ ก็คือการเจริญสติไม่ต้องไปไล่ความชั่วนี้ไปไหนไม่ต้องไปหาความดีอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเรามีสติรู้สึกตัวสร้างขึ้นมาสติมันจะมีได้ก็ต้องสร้างต้องประกอบไม่ใช่อ้อนวอนขอร้องไปซื้อไปหาแห่งหนตำบลใด ยูกับการกระทาของเราอยู่ในกายอยู่ในใจปลูกขึ้นมาสร้างขึ้นมาประกอบขึ้นมาให้มันมีมีแล้วมันก็เล่าความชั่วมันก็ทำความดีจิตมันก็บริสุทธิ์ไปเองนี่คือหลักของความจริงความจริงมันอยู่ตรงนี้กตรเล่าความชั่วการทำความดีการทำจิตให้บริสุทธิ์ ถ้าทำถูกมันก็ง่ายความดีก็เกิดขึ้นมาเป็นพวงพวงความชั่วหมดไปเป็นพวงพวงเหมือนกันันมีสิ่งที่ถูกมมีสิ่งที่ผิดอันมีสูตรมันมีสูตรสำเร็จสูตรชีวิตก็ไล่เรียนได้รู้อะไรมามีหลักสูตรสูตรพระนศาสตร์สูตร ยาสมุนไพรสูตรอะไรต่างๆเมื่อรวมกันเข้ามันเป็นต้นไม้มันเป็นพืชพอมาเข้ามากินมาสัมผัสกับกายกับธาตุมันก็กลายเป็นประโยชน์กลายเป็นหยกเป็นยารักษาโรคใครไขเจ็บหายมันเป็นของเก่งอยู่เช่นนั้นสูตรของการมารูดธรรมนี่ก็เหมือนกัน ไม่แล้วไม่พร้อมแล้วพระพุทธองค์ศาสดาของเราเป็นผู้ที่ค้นพบในกายมนคองสอบยาวานาคืบนี่ในสัญญาในจิตในใจในอะไรทุกอย่างที่มันจะเป็นตำราที่เราที่ทำให้เราได้เรียนได้รู้ โดยเฉพาะสูตรเรียสัตเป็นสูตรที่คุมในการศึกษาทั้งปวดของโลกก็ว่าได้เอามาเอาหลักของสติปัฏฐานเป็นหลักของการพัฒนาเป็นหลักของการวิวัฒนาการทำอะไรก็สำเร็จมันมีเหตุ มันมีปัจจัยแตะทำอะไรจะ แ, แก้อะไรต้องแก้ที่เหตุสังแก้ที่ปัจจัยประกอบที่เหตุจึงเป็นหลักที่เป็นสัจธรรมสัจธรรมมีอยู่สี่อย่างหรือเราเรียกสัจวี่เอาไปประกอบกับสิ่งไหนก็ได้ที่เป็นตามภาวะของสิ่งต้าๆ เ็นมันร้อนเราก็ต้องเหตุที่มันร้อนก็ต้องมีเหตุมันหนาวก็ต้องมีเหตุมันหิวก็ต้องมีเหตุมันสุขวันทุกข์ก็ต้องมีเหตุมันไม่สุขมันไม่ทุกข์ก็ต้องมีเหตุมันไม่ร้อนมันไม่หนาวก็ต้องมีเหตุเหตุเรียกสัจสีเอาไปแก้ตั้งแต่รากหญ้าถึงดอกถึงผล ถึงมรรคผลในผ่านเราจึงได้สูตรเป็นเยื่อมยอดเป็นโมโรดกของชีวิตเราไม่พิษการที่จะศึกษาสูตร น, นี้เราก็จะต้องฝาลกขป็นม า, าเองจเจริญสติจเจริญสมบัตชัญญะ รูปกายโูยใจของเรากายมันจะบอกใจมันจะบอกมันมีอะไรผิดมันมีอะไรถูกมันเป็นเท็จเป็นจริงอย่างไรอยูกับกายอยู่กับใจทั้งสิน้นไปถ่องไปท่องไปเที่ยวไปหาที่ไหนแต่เรามีสติพอไปดูออ หาวิธีที่จะดูหาวิธีที่จะเห็นหาวิธีที่จะรู้รู้เห็นพบเห็นการศึกษาของกิ่งต้องเป็นอย่าง น, านั้นไม่ใช่คิดเห็นเป็นสิ่งที่พบเห็นรู้เห็นทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งพบทั้งเห็นโดยตนเองไม่มีคำถาม เช่นเรามีความรู้สึกตัวอยู่กับกายมีความรู้สึกตัวอยู่กับจิตกับใจไม่มีคำถามหรอกเป็นผมงกริงเข้าไปเลยรู้สึกตัวเข้าไปรู้สึกตัวเข้าไปกหมับเราเหยียบบนดินเดินไปข้างหน้าในความมั่นใจที่เราเดินได้ ก้าวเรามีดินที่เราเหยียบมีก้าวไปได้ทุกก้าวผ่านก้าวแต่และกล้าวก็ผ่านที่เราที่ต้องเดินไปผ่านเดินไปเช่นเราเดินจากศาลาหอวใจไปศาลาหน้าก้าวแต่และกล้าวที่เราเดินไปพราก็ไม่มีคำถามเอาไปได้ เหตุใจเราอยู่ที่ก้าวของเราที่เราผ่านไปก้าวแต่และก้าวมันก็ผ่านไปไม่ต้องถามใครเราไปหรือยังไหนเราข้าวไปเราไปหรือยังนะเราไปถึงไหนแล้วไม่ต้องไปถามคําตอบมันก็มีอยู่ในตัวเสร็จคนผู้จะเริญสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็เป็นอย่างนั้น ก, การที่รู้สึกตัวการที่รู้สึกตัวรูปกายเคลื่อนไหวรูปใจมันคิดมันนึกใน่มันผ่านมาที่เราไม่เจตนาที่จะรู้มันก็เห็นเจอะแยะไปหมดเลยเรเห็นสิ่งไหนก็รู้สึกตัวกลับม า, ารู้สึกตัวอยู่ที่กายการรู้อยู่ตั้งไว้ที่เก่าบ่อยๆความรู้สึกตัวก็พัฒนาที่เก่านั่นแหละ อาจจะค้นจะเคยไปคุ้นเคยกับกายค้นเคยแล้วไปพอเห็นแจ้งในกายสัมผัสกับกายรู้สัมผัสกับกายหลงสัมผัสกับกายที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เห็นเป็นรูปธระมเห็นเป็นนามธรรมเห็นเป็นวัตถุอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจขยายผลไปได้ผลลับไปได้ผลตอบไป มันบอกผิดบอกถูกเกี่ยวกับกายเมือนเราเห็นกายเห็นรูปเห็นนามรูปมันบอกตามมันบอกเห็นในรูปในานามมันมีศีลมีสมาธิอย่างไรศีล ส, สมาธิมันเกิดขึ้นมีประโยชน์อะไร เวลาไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเกิดขึ้นมันไม่โทษอย่างไรมันบอกผู้ที่ศึกษาจะต้องรู้ต้องเห็นต่อ เ, เห็นเรื่องๆลางๆต่อไปต่อมาเมื่อเห็นแจ้งสิ่งที่สนับสนุนกันมันมีแตสทม่ัมชญญาะสนับสนุนให้เกิดศีล สินสนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิสนับสนุนให้เกิดปัญญาปัญญาสนับสนุนให้เกิดศินสินสนับสนุนให้เกิดสมาธิเรื่อคูณกันไปความเมีนหนึ่งก็มีอันหนึ่งต่อไปเป็นวงจรของความถูกต้องลู่ถอนของความผิดพลาดมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้น ศีลก็กำจัดจิเลสสมาธิก็กำจัดจิเลสอย่างกลางๆขึ้นไปปัญญาก็กำจัดจิเลสอย่างละเอียดขึ้นไปเหมือนกับแสงสว่างกำจัดความมืดได้ตามลักษมีของแสงสว่างตานเจริญสติมันก็พัฒนาไปอย่างนั้นพัฒนาในกายในใจของเรากปรงพ้นไปข้ามพ้นไป เรือนฐานะไตมันบอกงานมันบอกเมื่อเราสร้างบ้านสร้างเรือนเมื่อเรารลื่ อ, อบ้านลเลื่อเรือนเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนงานมันบอกไป ต, ตามลำดับจนสร้างบ้านเรือนได้สำเร็จเราจะรลือ่อบ้านรื่อเรือนงานมันบอก เลื่อบ้านเลือเ่อนออกมาเป็นกองๆอาหายไปหมดเลยบ้านเลือนแล้วก็จะตกแตกยังไงให้ดีกว่าเก่าลูกมันก็ดีกว่าเก่านะพ้นไพยพ้นพิษถ้าเขาไปเกี่ยวข้องถ้าไปพัฒนาน้ำ ม, มันก็ดีกว่าเก่าเราเข้าไปพัฒนาอดโทษพ้นไพร จนไม่มีไัยการปฏิบัติคือมาช่วยตัวเองให้พ้นไผ่ความรู้สึกตัวเนี่ยเราจึงสร้างกันต้องประกอบก่อนเห็นหมู่เป็นเม็ดเห็นผิด <c oughs> ก็สอนเห็นถูกมันก็สอนแล้วมันก็มีอยู่มันมีอยู่ในรูปในหนาแต่ก่อนมันผิดเราก็ไม่ได้เห็น เห็นแต่ยังเกี่ยวข้องกับความผิดไม่ถูกเหมือนไม่มีผู้ดูแลเหมือนลูกน้อยไม่มีผู้ดูแลลูกกวางลูกสัตว์ตัวเล็กๆไม่มีผู้ดูแลเมื่อไม่มีสิ่งดูแลมันก็ไม่ปลอดภัยถือปลอดภัยก็ เกือบจะไปไม่รอดชีวิตเราสิ่งที่เรารอดม่ได้เพราะมีธรรมมีความถูกต้องที่ช่วยเราอยู่แต่เราไม่สนับสนุนในความถูกต้องในความเป็นธรรมไม่ค่อยจะให้ความเป็นธรรมในธรรมแต่ว่าความเป็นธรรมยังช่วยเราอยู่ จนอยู่รอดมาถึงวันนี้ถ้าเราให้ความเป็นธรรมให้มากๆ ก, กับชีวิตของเราเราก็จะเลินไปไวที่สุดถึงจุดหมายปลายทางเช่นไม่ใช่จะว่าไม่ใช่จะ่าหลงแล้วหลงอีกไม่ใช่จะมาทุกข์แล้วทุกข์อีกไม่ใช่จะมาโกรธแล้วโกรธอีกมันย่ำต๊อกอยู่ที่เกา เราให้ความเป็นธรรมต่อธรรมมันจะไปนะมันจะไปพ้นจากปัญหาต่างๆเรื่อยๆไปจนจบจนสิ้นกันการศึกษามาัน ก, ก็เป็นอย่างนั้นเลื่อนชัดเลื่อนฐานะทางกิจปิญญาลยนีย่คือการปฏิบัติคือการไม่วัดพัฒนา มันมีสูตรแต่เราสูตรก็ช่วยกันไป ส, สนุนกันไปเอามาเป็นกำลังเหมือนต้นได้เอาปุ๋ยเอาครูดมาเป็นการสร้างต้นสร้างกิ่งกา้านสาขาเกิดดอกออกผลอาศัยบนผืนดินอาศัยบนน้ำอะไรๆายหลายอย่างที่มาเป็นประโยชน์ คนผู้มีการศึกษาความหลงนั่นแหละจะเป็นประโยชน์ความทุกข์นั่นแหละจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าไม่มีการศึกษาความทุกข์มันจะเป็นโทษความหลงจะเป็นโทษจะเป็นโทษหรือวางโอกาสถ้ามันมีที่จะเป็นในสิ่งที่เราจะต้องพัดพลาดจากกันมันลึกซึ้งมากแผนที่จะอาไลอาบอล กาพันพาดจากของเราของจอใจถ้าโูมีทำแล้มันลึกซึ้งนะลึกซึ้งมากเห็นของจริงที่ต่อหน้าต่อตาเห็นแม่ตายใจขาดต่อหน้าต่อตามันลึกซึ้งมากแทนที่เราจะเสีย อ, อกเสียใจแทนที่เราจะร้องหม่มร้องไห้อารวอยอะไรอารอนแม้นว่าน้าตามันลวกแต่มันมันลึกซึ้ง ลึกซึ้งในความจริงของชีวิตนะมันไม่ใช่จะไปเศร้าโศกเขียวอกเสียใจจนหมดตัวหมดตัวมันเป็นเช่นนั้นมันลึกซึ้งเห็นความทุกข์ก็ลึกซึ้งลึกซึ้งโอ้เป็นไปอย่างนี้ริเห็นความหลงก็ลึกซึ้งลึกซึ้งที่จะไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์ความหลงอย่างงดงาม เมืนกับเราจะน้ำเทิมเป่าลงไปเราลึกซึ่งแต่จะบ่งน้ําออกด้วยความภาคเพียดเอาน้ําออกให้ได้แม้นมันจะเจ็บก็เอาออกได้ความเจ็บเพื่อจะให้ไม่เจ็บความทุกข์เพื่อจะให้ไม่ทุกข์ความหลงเพื่อจะให้ไม่หลงความโกรธเพื่อจะให้ไม่โกรธเรียกว่าเหทุธมมาเหตุตุปพะว่าแกขยันแก เป็นงานของพระเาียเจ้าขยันแก้ขยันเปลี่ยนความล้ายเป็นความดีเปลี่ยนทุกข์ให้เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นไม่ทุกข์เปลี่ยนหลงให้เป็นไม่หลงอเดบายาเนี่กันให้ขยันตรงนี้เป็นหน้าที่อย่าละอย่าทิ้งหน้าที่ตรงนี้มันหลงเปลี่ยนไม่หลงหน้าที่ของเรามนทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์มันโกดเปลี่ยนไปโกดเป็นหน้าที่ของเรา เราทำอย่างนี้นะงานของพระเรียะเจ้าพระเรียะเจ้าทําอย่างนี้ปติบัติ์อย่างนี้มีชีวิตอย่างนีน้ถ้ามันจะมีจนเป็นกิจจวัตรเจริญสติเป็นกิจจวัตรนีสติเป็นวัดวัดคือทําบ่อยๆ เอเราปวดบ้านควดเรือนบ่อยๆทําความสะอาดบ่อยๆ น, นี่การปฏิบัติก็เหมือนกันเราจึงไม่มีการไม่มีเวลาตัวกายเรามีใจเรามีต้องปฏิบัติต่อกายต่อใจพอเราเสร็จการเสร็จงานเสร็จหน้าที่ลู้ลอก เราวรุ่วลอบรอบรู้นะกองสังขารเป็นปัญญาที่รู้รอบหมดจดหมดแล้วก็มีงานที่ต้องทำไปอีกเยอะแยะไม่หมดอย่างที <ach> ่พ <tr> ูดเมื่อวานนี่ว่าการละความชั่วการทําความดีการที่ทําจิตให้บริสุทธิ์สําหรับตัวส่วนตัวก็ไปช่วยคนอื่นให้เขาละความช่วยให้เขาทําความดีให้เขาทำจิตบริสุทธ์ การไม่เบียดเบียนตนแล้วการไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ไปช่วยคนอื่นเนี่ยเขาไม่เบียดเบียนเขาให้เขามาเบียดเบียนคนอื่นอีกต่อไปเรื่อยๆไปอ๋อแวนี่ก็มีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องช่วยเหลือไม่แต่ดินน้ำอากาศเราจะต้องช่วยเหลือกันแล้วทั้วเนีน่ไม่ไม่ใครช่วยเหลือดินไม่ไม่ใครช่วยเหลือน้ำ มไม่มีใครช่วยเหลืออากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ในป่าในดินในป่าไม้ในน้ําในอากาศซึ่งเราก็ขาดไม่ได้เราเหยียบดินทุกวันดินนี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์สําหรับชีวิตเราจําเป็นสําหรับชีวิตเราเราไม่ไปเดินอยู่ก้อนเมฆอากาศที่ไหน สัมผัสกับดินกับป่ากับน้ำกับอากาศเราจะต้องช่วยกันอีกมันกำลังจะไปจากเราดินก็จะเนี้จากเราไปต้นไม้ก็จะนี้จากเราไปอากาศก็จะนีจนจะน้จากเราไปน้ำก็จะนี้จากเราไปหาอย่างที่เราจะต้องช่วยนี่คือณะสงฆ์วัดป่าสุกโตวัดป่ามหาวันวัดภูเขทอง เป็นปีที่ห้าจะต้องช่วยน้ำช่วยดินช่วยป่าไมา้ช่วยอากาศเดินธรรมญา ต, ตาไปบอกกล่าวปลอ่องแก่ชุมชนหมู่บ้านในรัฐสมีของลุ่มน้ำลำประเทานี่ยจะแยะการงานของเรามันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยตะ ว, วันนี่มันไม่เหมือนสมัยก่อนเราได้รับโทษรับภัยเพราะดินเพราะน้ำเพราะอากาศ เพราะป่าไม้ที่มันหมดไปเด mm. ี๋ยวนี้มันก็มีอันตรายเกิดขึ้นหลายหลายอย่างโรคไข้สัตว์ปีบลดไข้โรคไข้หวัดทกต่อไปต่อไปถ้ามันเป็นอย่างนี้นกก็จะไม่มีเป็ดไก่ก็จะไม่มีโรคที่เกิดกับคนแล้วไม่พอโรคที่เกิดกับสัตว์ขยายผลมาเป็นผลกระทบต่อพวกเราหลายอย่าง ที่เกิดขึ้นที่เราไม่คิดไม่เคยคิดแล้วก็มีผลกระทบกับเราทั้งสิน้นเ็รเราสองวัดเป่าสุกโตจึงเกิดเดินธรรมยานตาตั้งแต่วันที่เก้าถึงวันที่เท่าไหร่ล่ะสิบเจ็ดไายแปดวันประมาณเสือบร้อยกิโลวันนี้ก็เป็นงานของพวกเรา เราช่วยคนด้วยกันเราจะช่วยคนอื่นไปพร้อมๆกันเชิงอื่นไปพร้อมๆกันจะมีเชิงอื่นว่าตื่นที่รอให้เราจะช่วยอยู่รออยอ่ะจึนะงเป็นการที่เร่งด่วนเราจะต้องเคยไม่ได้สมารถไม่ได้ไม่ใช่ส่วนตัวไม่ทั้งส่วนตัวไม่ทั้งชนรวมบ้าง ประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นที่เราจะต้องทําพระพุทธเจ้าถามหาผู้ที่ทําประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นสำหรับผู้ใดที่ทําแต่ประโยชน์ส่วนตัวไม่ทําประโยชน์ตนพระพุทธเจ้าไม่ถามหาผู้ใดผู้ใดทําประโยชน์แต่คนอื่นประโยชน์ส่วนตัวไม่ทําพระพุทธเจ้าก็ไม่ถามหาเราดองเราถามหาแต่ผู้ที่ทําประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นอ่ะ เป็นพระโพธิงค์ที่ได้ตัดสู้ทมประโยชน์คนอื่นเจิงอื่นยนมาถึงพวกเรายนมั่นคงในหม่มนุษย์ในศาสนาในศิลในธรรมเราต้องต้องช่วยกันให้พ้นภัยให้มีน้ำใจให้มีความ ไม่มีพิษไม่ภัยแต่เราไม่มีน้ำใจยังมีพิษม่ภัยอยู่ก็เป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษมันไม่เหมือนสัตว์อื่นคนเรานะถ้าไม่มีศีลไม่ทำเราโอ้ยมันอันตรายดันี้ก็ประเทศไทยเราก็มีปัญหาให้้วยทำยังไงเหลือวิสัยที่เราจะทำได้ถ้าตายก็ตายกันเป็น เท่าไรเราก็ไม่รล้โพรคนทำกับคนเองจึงมีศาสนาจึงไม่วัดในปฏิบัติศาสนาก็สอนโดยตรงๆชัดเจนและความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์ไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำได้ วิธีที่จะทำสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ตองที่เราพากันทำอยู่ขณะนี้นะไม่มีสิ่งไหนที่จะมาแก้มาเติมาเพิ่มอะไรอีกการปฏิบัติธรรมสาเร็จเป็นสูตรสาเร็จมาแล้วทนต่อการไิสูตรคำสอนพระเจ้า เป็นสว่ากขาตธรรมคนที่สูตรมาตั้งสองพันสามพันปีมาแล้วไม่น่าที่จะล่งล่งรอรอพวกเราไม่ใช่จะล่องล่งรอรอเสียเวลากไปกับอย่างอื่นถ้าเราทําถูกต้องจริงๆะมันก็เป็นกอบเป็นกรรมไม่นานไม่นานจริงๆ ว่าแต่เราทำให้มันจริงมีความจริงต่อความจริงไม่จริงต่อความไม่จริงให้ซื่อตรงตรงตรงนี้แต่จริงคือความรู้สึกตัวก็สร้างไปความหลงมันไม่จริงก็เอากับมันที่มันเป็นของจริงให้มันจริงสักให้โอกาสความจริงสักวันสองวัน ไม่ให้โอกาสความไม่จริงสักวันสองวันมันจะเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกตัวมันเป็นของเกิงให้โอกาสของจริงความหลงมันไม่เป็นของเกิงอย่าให้โอกาสมีสิทธิเรื่องนี้โดยตรงชีวิตเรานี่แหละสิทธิไปใช้สิทธิไปเรียกล่องอันอื่น เป็นเรียกล่องอันโน้นอันนี้อันนั้นมันเป็นเรื่องหนึ่งครั้สิทธิของเรามันหลงมีสิทธิจะไม่หลงสิทธิของเรามันทุกข์มีสิทธิที่จะไม่ทุกข์สิทธิของเรามันโกรธมีสิทธิที่จะไม่โกรธใช่สิทธิตรงนี้มันก็จะแก้ไปทั้งหมดเลยเราในะความเป็นธรรมเกิดขึ้นในตัวชีวิตทุกคนนี่ย จุดที่เหตุขาเรียสัจสีอยู่ตรงนี้ถ้าทุกคนมาเริ่มจากตรงนี้คนในโลกห้าหมื่นห้าแสนกว่าล้านคนนัมันจะยากกันรมันกับพิบตาเดียวหนะ ล, ลักอาเรียสัจสีอยู่ในกำมือ4่ข้อท่นนั้นปฏิบัติตรงนี้นะจะเกิดความสบงบร่มเย็นทันถีตามกำลัง จนถึงมรรคถึงผลลาบเหมือนหน้ากองใสเปิดศาสนาพระศีอริยเมตไตรขึ้นมาทันทีไม่ต้องไปสร้างกองทัพสตราอาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรนะในหลักของจริงใช่ความจริงกับชีวิตของเราไห้ได้สิทธิหน้าที่ของเราเรานีสิทธิที่จะไม่ลง เราสร้างความรู้เรื่อยไปไม่มีใครจะมาตั้งมอบตั้งแมบกับเราตอนที่จะไปทำหนออื่นนะมันมีหลายอย่างจะไปแจ้นโน่นแจ้นี่แต่ไปไปเอาที่เหตุที่ปัจจัยมันทำไมได้เป็นคนทั้งโลกก็าจะไม่ลักเรา เราจะไปเกณฑ์คนทั้งหลายมาลักเราเป็นไปไม่ได้เรียกว่าอาจินใจห้ามคิดแต่เราก็ยังคิดอยู่สิ่งที่เราทำได้คือเราจะต้องลักคนทั้งโลกได้ทันทีทันทีอะไรทีเดียวหองอาจารย์ไพศาลเทวพวันมีแผ่เมตตาไม่มีขอบเขตไม่มีคนใดคนลักคนชั้งคนใก่ ค, คิดสนิทสนมไม่มี เทียบไปเลยไม่มีที่รักไม่มีที่ัเป็นอภัมยญาแพ้ไปเลยนะ่ยทันทีทำในใจทันทีล่างบาปในใจทันทีเหมือนกับวันดอกพรรษาที่เราโฟลนาลบอกคืนสดใครเกิดเครียดแช่นเคียงชังไม่พระอกคอยใจกันลบทันทีแพ่แม่ตาไปทันทีสละบาป เพลนดีกันทำใจของตนเลยนะเป็นสิ่งที่ทำได้ทันทีการปฏิบัติธรรมเป็นเ่นเน่เป็นประ จ, จัดตังทันทีอย่าเหลือหลออะไรทิมตัวลงไปให้ ม, มากๆลัาคนปฏิบัติธรรมเอาไว้ก่อนบางทีแม้แต่ความคิดเอาคิดก่อนเถอะแล้วค่อยมาปฏิบัติใหม่บางทีมันเกิดความลักไปกับความลักสักหน่อยเล้วก็มาสร้างแก้วไม บาทีมันเกิดความโกรธต้องโกรธจังหน่อยก็ป้ากันจังหน่อยก่อนเนี่ยไปปฏิบว่าหน่วยยังอย่างอาไล่แต่ว่าพระไม่เป็นพระมาไลยังอาไหลในโสกในทุกไม่ไปยังถอยหน้าถอยหลังลองเป็นพระมาไลดูสิอย่าไปอะไลอะไระตุ้มลงไปเท่มตัวลงไปเหมือนเราทํางาน ทำงานอย่าไปใช่สองนิ้วจับตามจอบตามเสียมทุ่มลงไปยืนลงไปฟันลงไปถ้าไป จ, จับจอบจอบแกๆเดี๋ยวสุขภาพก็ไม่ไดียืนไม่ดีไปฟันจอบเสือเสียสุขภาพยืนไม่มั่นไปฟันขวัเสียสุขภาพยเย า, พยาที่ฟันที่จับที่จะใช้แรงต้องมีจังหวะต้องยืนให้ดีต้องจับให้มั่นเหมือนเราจะไปถอดยาคายาแป ไปจับไม้มั่นมันก็บาดมาือเราการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันทิ่มตัวลงไปไปค่อยๆก็ไปลำดับนี่นี่อะไรนะยกมือเฉลยเดิกว่าก็ไปรู้นะรู้นะรู้เนะี่ยเราเรียกว่าวัดสีวัดสีคือเน้นเพื่อจะให้มันชัดเจน เหมือนเขาเขียนหนังสือที่เขาเน้นบทไหนข้อความใดเขาทําตัวให้นั้นหนาให้สีทึบๆเหมันเรายกมือสร้างแก้วน้องถ้าทำเบาๆผิวๆแผ่นๆไปเนี่ยรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะเดี๋ว่าสีคือเน้นจัหน่อนเน้นเข้าไปแต่ว่าอย่าเน้นไปตลอดมันจะกลายเป็นสมาธิมันจะกลายเป็นฝนตบเน้นเป็นบางครั้ง พอเราคันจบทิมเป็นบางครัง้งไม่ใช่ทิมแต่เพื่อเพื่อฟันจึ๊กลงไปวางแล้วคอยยกตัาตึ๊กลงไปวางแล้วแรงจะเหลือถ้าเราปฏิบัติทำในประมาณกานการเน่นแต่ละครั้งจะไม่แรงไปอีกไกลจะไม่แรงไปอีกไกลถ้าไม่รู้จักเน่นจะไม่ได้แรง ทำเบาๆจะไม่ได้แรงการปฏิบัติธรรมไม่จังหวะที่จะต้องใช่วัาสีเน่นลงไปเน่นลงไปันมั่นใจโลลงไปโลลงไปโลลงไปโลลงไปเออมันสนุกดีนะทำงานไหนเม่ขี้นะแต่ว่าลอยๆใจลอยๆแลจะสร้างจังหวะใจลอยขวบวิธีอื่นเวลาใดได้ยกมาสร้างจังหวะใจลอยเมอง่วงซึมมาใช้นมาใช้ เวลาได้สร้างสถเนโอ้โมัชัดเจนเหมือนกับเขียนภาพได้มั่นใจตกแตง่งคนเขียนภาพมั่นใจใส่ใจบรรจงจะโพกรนวาดภาพนักเบาได้โลกได้ภาพสวยสดงดงามจำแล้วเด็กเหมอ ย, ยกเหมยเหพยลงพ่อไปซ่อมรถไปท่อมอ่ะไปซ่อมเสาอากาศเสาวิทยุนะ เขาเจาะลูาโอ้ยผมจะทได้หรือเปล่าผมทได้หรือเปล่าทไมเขาเจาะลูใหญ่แล้วกันทาไปทาไปมั่นใจทานอนทำเนี่ยเขาก็ลองเพลงไปเขาผิวปากไปทําขิดบตางพอคาได้ปนี่นี่างหฮะนี่างนี่ยกต้องเป็นอย่างนั้นจีไปปฏิัติธรรมนี่รู้สึกตัวนี่ยจากนี้นะ อนี่ก็จะไม่พระที่จะสึกวันนี้นะก็ไม่เป็นไรไม่จันนะเมื่อจะแห้งก็ไม่ทิ่งกลิ่นไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทิ่งกลิ่นชื่อว่าไม่จันผู้ที่อบรมดีแล้วเป็นเพศและที่ใดไม่เกี่ยวประโยชน์กับบ้านกับช่องยังหอมอั ด, ดินฉีดฝึกหัดดีแล้วนกรบดีแล้วไม่จะ เข้าสงครามก็ไม่ทิ่งเรีลาเป็นกีฬาอยู่เสมอมันทุกข์ไม่ทุกข์มันหลงไม่หลงอยู่เสมอวันดิตผู้ฝึกฝนตนเองเมื่อประสบทุกข์ก็ไม่ทิ่งศีลทิ่งธรรม้งหรัผู้ฝึกฝนตนเองเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั่นวันนี้พวกเราก็จะ ปฏิวัติทำต่อไปไม่มีคําว่าศึกไม่มีคําว่าไม่ศึกคําว่าธรรมะหรือความเป็นพระมีอยู่ในจิตใจเป็นพระยิ่งเป็นครวาเจ้าโจมยิ่งมีใจเป็นพระให้เราไมาตาวังใจไล่เป็นผีใจดีเป็นพระต่อไปเราอ๋อก็สมควรเจเวลาสําหรับวันนี้เนาะนะพวกเราก็กราบพระ พ, พร้อมกัน